3.24 จสองสีเรายืมร่างกายมาจากโลกต้องดูแล ร, รักษาของที่ยืมมาให้ดีวงเล็บเปิดหนึ่งกุมภาพันพันห้าห้าบเอ็ดในวงเล็บสองวงเล็บปิดถ้าเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจใจก็จะไม่ปรุงแต่งถ้ายังยึดกายยึดใจอยู่ก็ยังปรุงแต่งอย่างเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นของเรานะเราต้องคอยปรุงแต่งถ้าเรายึดว่าจิตใจเป็นของเราเราก็ต้องปรุงแต่ง ต้องคอยหาความสุขมาประเคนให้มันเรื่อยๆทุกวันนี้แต่ละคนทำอะไรอยู่นึกออกไหมทุกวันนี้วิ่งหาความสุขมาให้กายมาให้ใจนะไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกตลอดชีวิตเลยที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้กายให้ใจมีความสุขถ้าเมื่อใดเราปล่อยวางกายวางใจได้นะเราจะไม่มีภาระอย่างกินข้าวอาบน้ำขับถ่ายเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของเราเราเห็นว่าร่างกายไปกินข้าวเองร่างกายมันไปอาบน้าของมันเอง ร่างกายมันไปขับถ่ายร่างกายมันเจ็บป่วยของมันเองไม่ใช่เราไม่มีภาระทางใจเกิดขึ้นเลยร่างกายมันทำของมันเองไม่ใช่เราทำเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้สึกว่าร่างกายนี้น่าเบื่อที่สุดเลยเราภาวนาแล้วได้เห็นกายนี้มันมีแต่ทุกข์มีแต่ภาระเดียเด๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวต้องขับถ่ายเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้มีภาระที่ต้องดูแลรักษามากมายกลุ่มใจนะไม่ชอบเลยวันหนึ่งพอปัญญามันตามทัน เราก็เห no right right, ็นร่างกายมันไปทำมาหากินม <P ha. S 1> ันก็ไปทําของมันเองเราไปเดือดร้อนอะไรกับมันด้วยร่างกายมันไปซื้อข้าวมากินใช่ไหมมันก็เคี้ยวของมันเองมันก็กลืนของมันเองไปหาเงินมาเองร่างกายมันทําของมันเองแล้วเราไปยุ่งอะไรกับมันด้วยทําไมต้องไปขี้เกียจแทนมันเบื่อแทนมันด้วยค่อยๆภาวนานะความรู้ความเข้าใจจะค่อยๆพลิกพลิกพลิกจนเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเขาทํางานของเขาเองไม่ใช่ตัวเราหรอก พอเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่มีภาระไม่มีภาระไม่ใช่ว่าไม่ดูแลความรู้สึกของผู้ภาวนาก็คือเรายืมร่างกายนี้มาจากโลกร่างกายนี้เป็นสมบัติของโลกยืมเขามาใช้เพื่อสร้างคุณงามความดีพัฒนาตัวเองเมื่อเรายืมเข้ามาใช้ก็มีหน้าที่ดูแลรักษาของที่ยืมให้ดีๆไม่ใช่ยืมเข้ามาใช้แล้วก็ทำปู้ยี่ปู้ยาให้พังๆไปฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายเจ็บป่วยก็ไปหาหมอ มันปวดมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเวลามันหิวก็ไปกินข้าวมันร้อนก็อาบน้ํามีหน้าที่ดูแลไปดูแลเพื่อเอาเข้าไว้ทํางานไม่ใช่ว่าพอไม่ยึดเป็นของเราแล้วจะไปโหดร้ายทารุณกับมันยืมของเขามาแล้วไม่รักษาก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ดูแลรักษาร่างกายส่วนจิตใจเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้คอยรู้เอาก็เห็นเลยคิดดีเขาก็คิดเอง คิดร้ายเขาก็คิดเองสุขเขาก็สุขเองทุกเขาก็ทุกเองอกุศลอกุศลก็เกิดขึ้นได้เองคอยรู้คอยดูนะสิ่งที่หลวงพ่อพูดดูเหมือนยากมันยากสำหรับการฟังเบื้องต้นเท่านั้นแหละแต่ว่าพอพวกเราอดทนฟังไปเรื่อยๆจนสติตัวจริงเกิดแล้วจะไม่ยากอีกต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตเคลื่อนไหวเรารู้สึกมันรู้สึกเองรวมความแล้วไม่ต้องทาอะไรเลย ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกติดเคลื่อนไหวก็รู้สึกรู้สึกได้เองพอรู้สึกมากๆต่อไปปัญญาก็เกิดเห็นว่าตัวที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกต่อไปก็ดูไปอีกเห็นอีกทั้งกายทั้งใจเป็นทุกขนล้วน